วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมสวนสะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัท ผู้ฝ่ายทมผู้ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำตามพระบัญชาตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้สรงบัญชาไว้ ในพระปิบัติโมวาาคือในวาระสุดท้ายของชีวิตของพระพุทธเจ้าต อ, อนที่จะจากโลกนี้ไปพระองค์ทรงได้ตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดา จงทำประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่เป็นวาจาขั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปานิพัน์เป็นคำสั่งให้ชาวพุทธเรา อย่าประมาทคือให้รีบเร่งทำประโยชน์ที่พึงกระทำในขณะที่ยังมีเวลาอยู่เพราะว่าชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นจะต้องถึงจุดสิ้นสุดลงวันใดวันหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่า จะเป็นวันไหนกันพอถึงความตายแล้วก็จะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้ต่อไปจะทำประโยชน์ได้ก็ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เท่านั้นและประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้สาธุชนพุทธบริษัทมากระทำกัน ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเพราะนี่คือประโยชน์ที่สูงสุดไม่มีประโยชน์อันใดที่จะมีคุณค่าต่อจิตใจยิ่งกว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและทรงสอนให้ทำประโยชน์ของตนให้สำเร็จก่อน แล้วค่อยไปทำประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปคือเบื้องต้นต้องทำตนเองให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก่อนหลังจากนั้นแล้วค่อยไปช่วยช่วยค่อยไปสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้หลุดพ้น เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาในเบื้องต้นพระองค์ทรงบําเพ็ญปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงของพระองค์เองไม่ได้ไปสนใจกับการที่จะไปช่วยเหลือสั่งสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์เลย เพราะว่าพราะองค์นั้นยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะเอาความรู้ไปสอนใครได้ที่ทําให้ผู้ที่มาล่ำเลนมาศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จึงทรงบำเพ็ญอยู่ถึงเวลาหกปีด้วยกันจึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ได้เข้าสู่พระนิพพานแดนอันกเกษมสันแดนที่มีแต่บรมมสุขนิบานังปร r a m a n g s ขังหลังจากนั้นแล้วพระองค์จึงค่อยมาทำหน้าที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ต่อไปด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเริดให้แก่สัตว์โลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็สามารถที่จะมาศึกษามารับความรู้จากพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงทาหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนธรรมะเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกัน หลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วในขณะที่มีพระชนมายุ 35, ส5สิบห้าพรรษาทรงสแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกทุกวันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อมีพระพรรษา8ปสิบพระพรรษาด้วยกันก็ทรงจากโลกนี้ไปด้วย พระปัิบิษโมวาด้วยพระบัญชาคำสั่งที่สำคัญสุดท้ายของคำสอนของพระองค์คือให้ยังประโยชน์ของตนทำประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปหามใจของตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก่อนหลังจากที่ได้หลุดพ้นแล้ว จึงค่อยไปสอนผู้อื่นให้ได้ดุจทนต่อไปทรงแสดงธรรมบรราสามสี่ลบด้วยกันพุทธกิจคือหน้าที่หรือภารกิจของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่ห้าหน้าที่ด้วยกันที่เรียกว่าพุทธกิจห้าในบรรดาพุทธกิจห้านี้ สี่พุทธกิจนี้จะเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนส่วนอีกข้อหนึ่งอีกอีกกิจหนึ่งก็คือการบินทบาทเลี้ยงชีพเห็นยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งของพุทธกิจก็คือการเสด็จออกบินทบาทในตอนเช้าเพื่อเลี้ยงสังฆาร น, น่างกายของพระ อ, องค์เองแล้วพอตอนบ่าย ก็จะแสดงธรรมให้แก่ศรัท ธ, ธาญาติโยมคารวะทูกของเองินผู้ที่มีความสนใจอยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในยามค่ำก็ทรงแสดงทำให้แก่พระภิกษุภิกษุณีสัมมเนรสมมเนรีแล้วในยามดึกก็ทรงแสดงโปรดพวกเทวดากายทิพย์ทั้งหลาย แล้วในยามเช้าก่อนจ ะ, จะเสด็จออกบินธบาตก็ทรงแรงยานดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษเพราะบุคคลที่จะส่งไปโปรดนั้นอาจจะ ก, กล้ถึงเวละของความตายขึ้นมาและมีพระใจพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษไปในแต่ละวัน นี่คือการทำหน้าที่หรือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้หลังจากที่ได้ทรงทำประโยชน์ของพระ อ, องค์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วคือหลังจากที่ได้ตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงวิมุตินิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ได้เข้าสู่ความสุขอันเป็นบรมลังุขมเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงแม้กระทั่งบัดนี้พระทยของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในพระนิพพานอยู่ไม่ได้หายไปจากมาที่ไหนสิ่งที่หายไปก็คือสังขารร่างกายของพระพุทธเจ้าเหรือแต่พระทาทธาตุที่เราได้บรรจุกันไว้กราบบ่ายบูชาตามพระเจดียต่างๆท่านั้น ที่เป็นส่วนที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ของพระพุทธเจ้าแต่ส่วนที่เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้านี้อยู่ในโลกทิพอยู่ในนิพพานอยู่ในที่ที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปต่างจากใจของพวกเราที่อยู่ในโลกทิพเหมือนกันแต่อยู่ในซีของการเวียนว่ายตายเกิด เราจะแบ่งโลกที่ไว้เป็นสองซีกก็ได้ซีกหนึ่งไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเราเรียกวันนิพพานเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายส่วนอีกซีกหนึ่งนี้เป็นที่อยู่ของปุถุชนอย่างเราอย่างท่านที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในตรัยภพก็คือในกาลมาภพในรูปภพและอรูปภพ กามาพบก็คือพบสำหรับผู้ที่ยังเสพกามอยู่เช่นพวกมนุษย์เทวดานี้เป็นพวกที่ยังเสพกามอยู่หรือพวกเปรตพวกอสุรกายพวกนรกหรือพวกเดรัจฉานพวกนี้ก็เป็นพวกที่ยังเสพกามอยู่ก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบคือยังพวกที่ยังยินดีกับการหาความสุข จากการเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรสผตภัณฑ์ชนิดต่างๆคือกามคุณห้าถ้ายังมีความยินดียังเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบแล้วในการมาพบนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองซีกด้วยกันซีกที่เรียกว่าสุขคติและทุกคติซีกที่เป็นทุกคตินี้ก็คือเป็นซีกของผู้ที่เสด ด้วยการกระทำบาปต่างๆด้วยการฆ่าสัตว์ด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดในการมด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ mm hmm. ถ้าผู้ใดมีพฤทธกรรมแบบนี้ mm hmm. ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติ mm hmm. คือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอนุสรกายบ้างไปนรกบ้างหรือไปเกิดเป็นสัตว์ใน ร, ราชาบ้างแล้วก็จะรับใช้กรรมไปจนกรรมนั้นหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาเสพกรมใหม่แล้วก็จะมาทำบาปใหม่ต่อไปพอเมื่อได้ทำอะไรไปแล้วมันจะติดเป็นนิสัย เคยทำบาปมันก็จะติดเป็นนิสัยอยากจะได้อะไรมาก็มักจะไปทาไปได้ไปหาโดยวิธีทำบาปไปลักขโมยไปชอโกงไปฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกขติอยู่ในการมมาพบส่วนพวกที่เสพการมแต่ไม่ทำบาปทำแต่บุญพวกนี้ เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเทพเป็นเทวลาในชั้นต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกันแล้วหลังจากบุญที่ได้ส่งไปสวรรค์นี้หมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเสพกามใหม่แล้วก็มาทำบุญใหม่พวกนี้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปเรื่อยส่วนพวกที่ไม่เสพกามแต่ เสบรูปประชานหรืออรูปประชานคือพวกนักบวชทั้งหลายนี้เขามีความเห็นว่าความสุขที่ได้จากการเสพกรรมนี้มันหยาบมันมันทุกข์มันวุ่นวายสู้ความสุขที่ได้จากการเสบรูปประชานหรืออรูปประชานไม่ได้พวกนี้ก็มักจะไปเป็ น, เ ป, นเป็นนักบวชกันแล้วก็ไปเจริญสตินั่งสมาธิ จนจิตสามารถเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ถ้าเข้าสู่รูปฌปานทั้งสี่ได้เวลาตายไปดวงวิ ญ, ญญาณก็จะไปเกิดในรูปภพคือเป็นภพของรูปภปพถ้าสามารถเข้าถึงขั้นอรูปฌานทั้งสี่ได้ก็จะไปเกิดในอรูปภพเป็นภพของอรูปภพที่มีความสุขละเอียดที่สุด ในบรรด า, าวความสุขทั้งหลายของสังสารวัฏของตายภพเนี่ยความสุขของอรูปภพนี้เป็นความสุขที่ละเอียดที่สุดที่สูงที่สุดที่มากที่สุดลองลงมาก็ความสุขของอรูปภพ <Yes. S 2> ของลองลงมาก็ความสุขของรูปภพ <Yes. S 2> ผู้ที่ได้รูปฌานสี yes. พวกนี้ก็เวลาตายไปก็จะไปเป็นพรหมเป็นรูปพปรหมถ้าได้รูปฌานถ้าได้อารูปฌปานก็จะได้เป็นอรูปพรหมแต่หลังจากฌานเสื่อมลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเข้าสมาธิใหม่มาปฏิบัติจเจริญสติ เพราะว่าถ้าเคยทําอะไรเป็นนิสยัยแล้วมันก็จะกลับเป็นนิสยัยมี น, นิสัยติดตัวมาเราจึงมีคนพวกที่มาเกิดแล้วมักจะไปบวชกั น, เ, นเพราะเขามี น, นิสัยเดิมของเขาเขาชอบความสงบมากกว่าความสุขจากการเสพกามเขาชอบเสพรูปประชานมากกว่าหรือเขาเขาชอบเสพอารมณ์ประชานมากกว่าตรงนี้ก็จะ เวียนว่ายตายเกิดในรูปภพหรืออาลูปภพแต่ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจะไม่มีปัญญาความรู้ความสามารถที่จะสามารถมายุติการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพได้ จนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ที่รู้ทางแห่งการยุติการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่รู้ทางสู่พระนิพพานผู้ที่รู้ทางสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะมายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าใครได้มาเกิดในยุคในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้แต่จำเป็นที่จะต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระรันาตนตรัยในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในวิธีการดำเนินชีวิต เพื่อให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่เข้าหาจะไม่ศึกษาจากพระพูดพระธรรมหรือพระสงฆ์จาเป็นต้องมีศรัทธาความเชื่อในเบื้องต้นก่อนเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคาสอนที่จะสามารถนาพาผู้ปฏิบัติตาม ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจนได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมีมีบุคคลสามท่านนี้เท่านั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นผู้ที่นำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ จึงจะเป็นจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อเพราะว่าไม่เชื่อก็จะไม่มาศึกษาแต่ถ้ามีความเชื่อว่าตอนนี้ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปต้องมีคนสอนมีมีคําสอนตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราแล้ว แต่ก็โชคดีที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่กับพวกเธอไปแล้วก็ตามแต่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนเราก็คือธรรมวินัยที่ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่เองคือสวากขาตูภะวตาธรรมโมทำที่มีบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการยืนยันได้รับการสังคายนา ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องจากพระาอรหันตสาวกห้าร้อยรูปแล้วสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเสด็จดับขันธปรณิพานไป<ม>ก็มีพระอรหันห้าร้อยรูปมาร่วมประชุมกันมาทบทวนพระธรรมคำสอนที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันว่าใครจำได้อย่างไรบ้างแล้วมาเปรียบเทียบกัน แล้วก็มาปรับอันไหนที่จำผิดก็ตัดออกไปอันไหนที่จำถูกก็เก็บเอาไว้จนได้คำสอนที่ได้ได้รับการยืนยันได้การรับรองจากพระอรหันตสาบกห้ า, า, หาร้อยรูปแล้วคำสอนเหล่านี้ได้มีการจดจำถ่ายทอดกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงในยุคปัจจุบัน ก็มีการบรรจุไว้ในพระคมพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เราอยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ให้ไปเรียนจากพระไตรปิฎกได้ mm hmm. เรียนพระสูตรที่สำคัญสำคัญที่จะพาให้เราได้หุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็พอไม่จาเป็นจะต้องเรียนพระไตรปิฎกทั้งหมด ที่มีแปดหมื่นี่พันธรรมบทด้วยกัน mm hmm. เรียนพระสูตรแค่สี่ห้าพระสูตรแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามให้ได้ mm hmm. ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ mm hmm. เช่นเรียนตัมมจักกบปวัตนสูตร mm hmm. เป็นพระสูตรอันแรกทรงแสดงทางสูก่การหมื่นพ้นทรงแสดงอริยสัจสี่มรรคแปดแล้วก็ทรงพระสูตร ที่สองก็คืออนัตตลักษณ์คัสสูตรทรงแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตนไม่สามารถที่จะไปควบคุมครอบครองรักษาให้อยู่กับผู้ผู้ครอบครองให้มีให้ความสุขกับผู้ครอบครองไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่ให้ความสุขได้ไปตลอดวันใดวันหนึ่งเขาก็จะ เปลี่ยนไปหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เสมอยังไม่ควรที่จะยึดติดกับสิ่งต่างๆให้เป็นเครื่องมือให้ความสุขแก่ใจเพราะจะกลายเป็นความทุกข์ไปต่อไปนั่นเองแล้วก็ทรงสแสดงพระสูตรที่เรียกว่าอาธิตตาบริยายาสุตตาอันนี้ทรงสแสดงให้เห็นความทุกข์ในการมคุณห้า เราูปเสียงกลิ่นรสผุดสะพานี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขผู้ใดเสดแล้วจะต้องกระอากเลือดจะต้องเศร้าโศกเสียใจจะต้องร้องห่มร้องไห้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสผุดสะพานนี้เป็นของชั่วกราวเป็นของที่ไม่ยั่งยืนถาวรเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเวลาได้มาใหม่ๆก็จะอาจจะได้ความสุขแต่พอ เกยบไว้สักระยะหนึ่งสิ่งที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปได้เมื่อมันเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปหรือกลายเป็นสิ่งที่หายไปเวลานั้นความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องละการเสพกามให้ได้อย่าไปเสพกามอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ทรงสแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อ เพื่อที่จะมาละสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ในสติปัฏฐานสูตรต้องใช้เครื่องมือคือสติสมาธิและปัญญาเราท่งแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรส่งสอนวิธีเจริญสติเพื่อให้เพื่อให้นเพื่อให้นั่งสมาธิให้ใจสงบให้ได้อุเบกขาให้ได้ฌานขึ้นมาหลังจากใจได้อุเบกขาได้ฌานแล้วก็จะมีกำลัง ที่จะไปใช้ปัญญาที่พิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงไปยึดติดไปอาศัยให้ความสุขว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความอยากที่จะอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็จะหายไปเมื่อความอยากถูกกำจัดหมดด้วยปัญญาด้วย ส, สติด้วยสมาธิตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็หมดสิ้นไป คือความอยากเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปพอหมดไปใจที่เคยเวียนว่ายตายเกิดในตายภพก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดทันทีรั บ, รบย้ายไปอยู่จากซี ข, ของสังสารวัฏไปอยู่ซีก ข, ของพระนิพพานทันทีในในโลกเทีปนี้มีสองซีกสังสารวัฏคือตายภพ ที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกที่ยังมีตันหาความอยากอยู่สำหรับผู้ที่ได้กําจัดตันหาความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะย้ายจากซีกของสังสารวัตไปอยู่ซีก ข, ของพระนิพพานไปอยู่ซีกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ดวงวิญญาณหรือดวงจิตนี้ไม่ได้หายไปไหนมีอยู่เหมือนเดิมเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราเอาไปซักเสื้อผ้าที่สกปรกเราก็กองไว้ในใส่ใน ในภาชนะอันหนึ่งแล้วเราก็เอาไปซักพอซักสะอาดเราก็เอาเสื้อผ้านี้ไว้ไว้ใส่ตู้ได้ไปเก็บไว้ในที่สะอาดได้ใจก็เหมือนกันใจของพวกเราตอนนี้เวียนว่ายตายเกิดด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายพอเราเอาใจนี้เข้าใส่เครื่องซักซักฟอกใจคือการบําเพ็ญจิตตภาวนาซักฟอกไปเสร็จปับ๊บใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา ใจไม่ได้หายไปกับจากการซักพ่อสิ่งที่หายไปก็คือคราบสกปรกของใจคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆเหมือนซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สปกปรกเราก็เอาเข้าเครื่องซักพอเอาออกจากเครื่องซักมามันก็เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดแต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนเสื้อผ้าย้ายจากจากจากภาชนะที่เราใส่สําหรับเสื้อผ้าที่สปกปรก ไปเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดล้วก็เอาไปสายเก็บไว้ในตู้เพื<ม>่อที่เราจะได้เอามาใช้ใหม่ได้<ม>ใจก็เป็นแบบนี้ใจของพวกเราก็แบบเดียวกันใจของพระท้เจ้าก็แบบเดียวกันใจของพระอาจัรย์ทศาวกก็แบบเดียวกันตอนที่ยังมีกิเลสก็อยู่ในสังสารวัฏอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด<ม>พอสิ้นกิเลสกําจัดซักพอกด้วยการปฏิบัติ<ม>ทานศีลภาวนา<ม><ม>ได้แล้ว เครื่องสักพอนี้ก็สักพอกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่พาให้ที่พาให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้กลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองแล้วจิตใจก็ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอยู่ในนิพพานอยู่ในสิ่งของพระนิพพานไปย้ายบ้าน ย้ายบ้านจากบ้านที่กําลังมีไฟไหม้อยู่ย้ายไปอยู่บ้านที่ไม่มีไฟไหม้ถั้งสารวัตตนี้เป็นเหมือนบ้านที่มีไฟไหม้อยู่เรื่อยๆส่วนนิพานนี้เป็นบ้านที่ปลอดจากไฟเทานั้นเองนิพานนี้ไม่คําว่าศูญนี้หมายคําว่าศูนย์จากความทุกข์ทั้งหลายศูนญจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายศูนย์จากสมมุติทั้งปวงสมมุติ สูญจากไตพบก็ว่าได้สูญจากกามาพบสูญจากรูปพบสูญจากอารูปพบแต่ใจไม่สูญใจที่เป็นนิพพานนี้ไม่สูญคนถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่เข้าใจจะไปคิดว่านิพพานคือความสูญใครปฏิบัติถึงนิพพานเราก็จะหายไปเลยไม่หายใจยังอยู่พระพุทธเจ้านี้ตั้งแต่ตัดสั้นรู้ตอนอายุสาส้าใจของท่านก็ยังอยู่ แล้วท่านก็ใช้ใจอันนี้มาแสดงธรรมโปรดสัตว์เลิกต่อไปจนถึงอายุแปดสิบปีก็ปล่อยวางสังขารร่างคายทท้งนั้นเองใจก็ไม่ได้หายไปไหนใจก็อยู่ในสีของพระนิพพานไปตลอดนะนี่แหละคือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายมาปฏิบัติมาทำกันเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเลิกเท่ากับวิมุตินิพพาน การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการเข้าถึงพระบรมสุขของพระนิพพาน<ม>เพราะว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างถาวรถ้าใช้วิธีของทางโลกคือการเสพกามก็ดีเสพ ร, รูปประชานก็ดีเสพวัลุ ป, ประชานก็ดี<ม>ก็เป็นวิธีแบบชั่วคราว<ม>สามารถดับความทุกข์แบบเป็นได้เป็นพักๆไปเช่น<ม><ม>ไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกัน หรือไปช้อปปิ้งกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันหรือไปดูหนังฟังเพลงกันหรือไปเลี้ยงฉลองกินกันดื่มกัน<ม>ความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวพองานเลี้ยงจบลง<ม>ความทุกข์ก็กลับมาใหม่มเข้าฌานก็เหมือนกันเวลาเข้าฌานความทุกข์ก็หายไปแต่ออกจากฌานมาความทุกข์ก็กลับมาใหม่อีก<ม>ต้องชำระตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เท่านั้นเอง <émie. S 1> นี่แหละคือประโยชน์สูงสุดที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาทรงสั่งให้ชาวพุทธเรามากระทํากัน <ad> um. อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมีการกระทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นการเริ่มต้นเพืวันพระเช่นวัวนนี้ควรจะให้เวลาทั้งหมดให้กับการมาซักพอกจิตใจด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวน า, นาแล้วพอเรา เห็นผลได้ผลดีจากการซักพอกจิตใจเพราะว่าจิตใจเราความทุกข์น้อยลงไปความสุขมีเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เกิดมีความยินดีมีฉันทะวิริยะขึ้นมาที่อยากจะทําเพิ่มขึ้นต่อไปต่อไปก็จะทําเพิ่มเป็นสองวันเพิ่มเป็นสาวันเพิ่มเป็นสี่วันแล้วในที่สุดก็จะทําทุกวันเลยเพราะไม่มีความสุขันใดที่จะเลิกเท่ากับความสุขที่ได้จากการสัมผัสรดแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้เพราะเวลาสำหรับการแสดงธรรมก็ได้หมดสิ้นลงหลังจากนี้ต่อไปอีกสามสิบนาทีเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาซักฟอกจิตใจด้วยการเจริญส ม, มะถะภาวนาเป็นการเป็นการทำใจให้สงบเพื่อให้เข้าสู่รูปฌปานหรือรูปฌปานถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบเป็นความสุขแบบชั่วคราวก็ตาม แต่จําเป็นจะต้องมีรูปประจานหรืออาลูปประจานเป็นเครื่องมือที่จะเอาไปใช้ในการลาะความอยากในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก่อนถ้าไม่มีรูปประจานหรืออาูปปัจจานนี้จะไม่สามารถที่จะเลิกเสบกามได้เริ่มต้นต้องใช้รูปประจานหรืออาูปปัจจานมาเป็นเครื่องมือในการละการเสบรูปเสียงกลิ่นรส เวลาอยากจะไปเที่ยวไปกินไปเดินไปดูไปฟังอะไรก็เปลี่ยนมานั่งสมาธิดีกว่า mm hmm. ทุกครั้งท่านี้ไปต่อไปความอยากจะเสพกามก็หมดไป mm hmm. ก็จะออกจากกามมาพบเข้าสู่รูประพบหรืออารูประพบ mm hmm. พออยู่รูประพบหรืออารูประพบแล้วถ้าอยากจะออกจากรูประพบหรืออารูประพบก็ต้องเลิกเสพรูปฌานเลิกเสพอรูปฌานถึงจะเข้าสู่พานิพานได้ต่อไปอันนี้เรามา จเจริญรูประฌานกันก่อนจเจริญสมถภาวนาด้วยการใช้สติคอยกากับใจผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งสมาธิจึงจาเป็นที่จะต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องยืดเหนียวจิตใจมีสติคอยกากับผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทาให้ใจสงบนั้นมีอยู่ หลากหลายด้วยกันถึงสี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราสาหรับผู้เริ่มต้นนี้เราก็ใช้อยู่อย่างสองอย่างเช่นใช้พุทธานุสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งก็เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือถ้าใช้อนาปนาสติคือการดูลมหายใจเข้าออกอก็เฝ้าดูใจที่ปลายเฝ้าดูลมหายใจที่ปลายจมูก ลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่จุดเดียวใจถึงจะนิ่งได้ถ้าตามลมเข้าออกใจจะไม่นิ่งใจต้องอยู่กับจุดเดียวที่ปลายจมูกเท่านั้นเองแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดก็แสดงว่าไม่ได้เฝ้าดูลมแล้วหรือไม่ได้พุโทโธแล้วต้องกลับมาที่พุโทโธอยู่เรื่อยๆ อานั่งเฉยๆเดินไม่มีพุโทโธหรือไม่มีการดูลมหายใจเข้าออกหรือไม่มีกรรมฐานอย่างอื่นบางท่านอาจจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้บางท่านอาจจะชอบอาการสามสิบสองก็ท่องผมขนแม่ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปก็ได้บางท่านชอบเพ่งดูลูกแก้วก็เพ่งดูลูกแก้วไปก็ได้บางท่านชอบเพ่งดูโครงกระดูกก็เพ่งดูโครงกระดูกไปก็ได้ขอให้มีงานทํำ อย่าไปนั่งเฉยๆเพราะนั่งเฉยๆใจจะลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วใจจะไม่สงบแล้วใจจะดิ้นใจจะมีความรู้สึกอึดอัดขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้ามีกรรมฐานถูกใจไว้แล้วใจจะค่อยๆสงบลงไปตามํำลับใจก็จะเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นไปจนในที่สุดก็จะนิ่งสงบพอนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมีสติรู้อยู่กับความนิ่งความสงบไปจนกว่า จะออกจากสมาธิไปใะเวลานั่งเวลามีปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจมีแสงมีมีแส ง, ม, ม, แสงมีเสียงมีอะไรขึ้นมามีกลิ่นอะไรขึ้นมาก็อย่าไปตามกลับมาที่กรรมฐ า, านถ้าใช้พุโทโธก็กลับมาที่พุโทโธถ้าใช้ลมก็กลับมาที่ลมถ้าใช้อาการสามสิบสองก็กลับมาที่อาการสามสิบสองกรรมฐานนี้เราสามารถเลือกใช้ ตามจลิตนิสัยของเราได้ไม่จําเป็นจะที่จะต้องใช้เหมือนกันทุกคนบางคนอาจจะใช้ลมบางคนอาจจะใช้พุทธโธบางคนอาจจะใช้ทั้งนมทั้งพุทธโธพุทเข้าโทออกก็ได้ทั้งนั้นบางคนก็ใช้ยุบหนอพองหนอก็ดูที่หน้าท้องแทนก็ได้นี่เป็นกรรมฐานที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้าสู่ความสงบได้แล้วถ้าเกิดมีอาการทางร่างกายคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจ ดึงใจกลับมาที่พุทโธกลับมาที่กรรมฐ า, านเหมือนกันนั่งไปจนกว่าใจจะสงบแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาจะเจริญสติผูกใจให้อยู่กรรมฐ า, านอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตามที่เราจะเลือกใช้ตามจลินิสัยของเราจนกว่าจะหมดเวลาอตอนนี้ เวลาสงหบการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูวิธีนั่งของเราว่ามันนี้นั่งแล้วสงบไหมสงบดีหรือไม่ไม่สงบถ้าสงบดีก็จําวิธีนั่งนี้ไว้ให้ดีคราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีเดิมอีกอย่าอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากไม่สามารถทําให้มันสงบได้แต่วิธีนั่งที่ถูก ที่มีสตินี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้จิตสงบได้ฉนั้นขอให้จดจำวิธีให้ดีถ้ามันสงบถ้าไม่สงบก็แสดงว่าจิตยังขาดสติอยู่มากก็ต้องหมั่นเจริญสติก่อนที่จะมานั่งคาวต่อไปเจริญระหว่างวันเจริญทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติมากเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็ว ก็ต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสัขลังเอวเมวะอิตโตจินังเปตานังอุปกะปะเอิชีิตังปัทิตังตุมหังคิดเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณนโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิศานิจจังุธาปจายโน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 ถ้ามาถามตอนนั้นก็จะไม่ได้ตอบต้องขออาภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สามร y อยสิบสองพระสุชาติไลฟ์สามร o อยสิบปดยูรวหสิหวิทยุออนไลน์สิบเอ็ด o u s e 6์หหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสามรวมแปดร้อยสิบหกค่ะ ท่านา ม, า ม, มีคำถามทางอินบ็อกซ์จากคุณนิดค่ะช่วงที่ท่านพระอาจารย์ให้พรยะถาเราควรวางจิตยอย่างไรคะวางนิ่งเพื่อรับพรหรือควรอุทิศนึกถึงหน้าพ่อแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วคะตามใจตามใจอยากจะอุทิศก็ได้อยากจะรอรอร อ, อให้ให้พรเสร็จแล้วค่อยอุทิศก็ได้แล้วแต่สะดวกคำถามจากทาง youtube คุณแซมค่ะ การนั่งสมาธิตอนกลางคืนนานๆถือว่าเป็นการพักผ่อนน้อยหรือไม่เจ้าคะความจริงนั่งสมาธิได้พักผ่อนทั้งสองอย่างได้พักกายและพักใจด้วยถ้านอนนี่อาจจะได้แค่พักกายแต่ใจอาจจะไม่ได้พักเพราะใจยังจะฝันถึงเรื่องนั้นฝันถึงเรื่องนี้อยู่เป็น้การนั่งสมาธินี้เป็นวิธีที่พักผ่อนได้ทั้งกายและใจคาถามจากคุณศิริกิต ถ้าตกอยู่ในสภาวะหลงในความคิดต้องแก้อย่างไรคะต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสุขก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นแม่ของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอ น, นิจจังทุกขังของนัตตาคาถามจากคุณทีค่ะ ถ้าเราละจากการเสพการได้แล้วมาเสพฌานแทนเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรให้ละการเสพให้ละการเสพฌานได้ด้วยครับก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าฌานก็เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเข้าฌานก็สงบมีความสุขเวลาไม่ได้เข้าฌานก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่อยากจะต้องเจอกับความสุขความทุกข์ของการเสพฌานก็เลิกเสพ อเลิกเสพไม่ติดชาญใจก็จะสงบตลอดเวลาเหมือนคนที่ไม่ไม่ติดกาแฟกับคนที่ติดกาแฟดีกว่ากันคนติดกาแฟเดี๋ยวถึงเวลาก็าอยากจะกินกาแฟขึ้นมาพอไม่ได้กินก็ทุกพอได้กินก็สุกดี๋ยวอ่อเดียเด๋ยวก็หิวขึ้นมาอีกอยากขึ้นมาอีกแต่คนที่ไม่ติดกาแฟนี่เขาไม่ทุกข์ไม่สุขเขาเฉยสบายสบายเอาแบบไม่ทุกขไม่ทุกข์ไม่สุ ก, สสบบส ก, ก, สกดีกว่าคือ ใจเฉยมีควววาามมมมออออิ่คคพในนตัขัขงงเําถามจากคุณพีระค่ะถ้าเพื่อนร่วมงานทํางานไม่ค่อยมีความรับผิดชอบส่งผลให้งานมีปัญหาบ่อยมากถ้าเคยกล่าวเตือนไปหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นเราควรปล่อยวางอย่างไรดีครับถ้าเราทําอะไรได้ก็ทําไปถ้าเตือนเขาแล้วบอกเขาแล้วว่าถ้าไม่ปรับปรุงก็จจะต้องออกจากงานไป ถ้าทำได้ก็ทำไปถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่จะเป็นให้คุณให้โทษเขาได้เราก็ต้องทำใจเฉยๆไปเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไปทำได้ก็แค่รายงานผู้ใหญ่ว่า ง, งานไม่เดินเพราะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ไปคำถามจากชุนสิริกิตค่ะในการปฏิบัติจะจัดการกับกิเลสตัณหาอวิชชาและความคิดฝุ้งสงสัยอย่างไรด้วยสมาธิด้วยปัญญา เมือมต้นน้องฝึกสติให้เข้าสมาธิให้ได้เมื่อได้สมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากทั้งหลายเป็นเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจพอเกิดขึ้นมาก็หยุดมันได้ทันทีถ้ามีสมาธิามมไม่มีแล้วเนอะโอมีใครอยากจะถามอีกไหมคำถามเจนถามได้นะอะ—เข้ามาคุนึด็ง กลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์โยมสังเกตว่าสมมติว่าถ้าเราเได้นั่งสมาธิทุกวันจิตก็จะสงบอะค่ะพระอาจารย์เวลามานั่งสมาธิเงี้ยมันก็จะสงบง่ายแต่เวลาเราออกไปพบปะผู้คนไปกับเพื่อนไปที่ต่างๆอย่างเงี้ยบางทีเวลาจะมาปฏิบัติมันก็จะนานขึ้นเวลาที่จะสงบอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ อย่างนี้มันก็เกี่ยวกันใช่ไหมคะใช่เพราะเวลาเราไปเที่ยวเราก็ขยาบใจเราเลยกระโดดโน้ตเต้นดีออกดีใจพอใจกลับมาจะท้ามันสงบมันก็ยากกว่าตอนที่เราไม่ได้ออกไปนอกบ้านจ <weer> นะจเวลาเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสใจมันก็เต้นขึ้นมาทีนี้ญติธรรมบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่สิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแปลว่าปฏิบัติไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูก <S <S จริงถ้าเกิด ทำไมเราไม่ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับสังคมมันก็สงบละ่ะทําไมไม่ดูตัวเองไปว่าเกิดอารมณ์อะไรอย่างนี้ทําไมจะต้องมานั่งแต่สมาธิสมาธิเราแบบจะเก็บตัวอย่างเงี้ยค่ะจะถูกเหรอเขาถา ม, ถามดูทางก็ไม่ดูก็พุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระเจ้าอยู่ในวังทําไมทําไมต้องออกจากวังไปพออยู่ในวังแล้วมันวุ่นวายพอไปอยู่ในป่าแล้วมันสบายพวกที่ไม่อยากอยู่ป่าก็หาเหตุผลว่า จะไม่ทํายังไงไม่ต้องไปอยู่ป่านค่นี้ต้องอยู่ที่สงบที่ไม่มีอะไรมาลบกวนใจถ้าอยู่ที่ไหนที่มีรูปเสียงกลิบแล้วมันจะมาลบกวนใจแล้วมันจะทำให้ใจสงบได้ยากพวกที่พูดนี้เป็นพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ดูไม่ดูสลรณะที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าว่าท่านบําเพ็ญอย่างไรจมก็คิดอยู่เจ้าข่าวว่าเอ๊ะ ทำไมโยมปฏิบัติแล้วเวลาที่โยมเวลาไปเจอผู้คนมากมายโยมก็ยังมีสังคมอยู่พระคุณเจ้าก็ยังไปนู่นนี่นั่นแหลกไปกับเพื่อนเราไม่ต้องมีสังคมเพื่อนยังชวนไปแต่ว่าพอกลับมาทีไรก็รู้สึกว่าเวลาจะเข้าสมาธิมันจะนานแล้วมันจะแบบบางทีเขามาเล่าเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องอะไรบ้างมันจะวนอยู่ในหัวโยมอะค่ะเลยเวลาจะเข้าสมาธิทีมันจะรู้สึกใช้เวลา ใช่เราต้องลบไอ้ความจำเหล่านี้ออกไปมันถึงจะใช้เวลามากแล้วทํายังไงคะพระคุณเจ้าก็อย่าไปเลยอะไรวะก็อย่าไปใช่ไหมคะก็เราพอเราลาออกจากงานเราก็ไม่ยุ่งกับสังคมเลยออยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าเออเงี้ยไม่เจ๋งจริงดดไปแบบแจะต้องนั่งอยู่ตลอดนั่งอยู่ตลอดอย่างนี้หรอยอมรับว่าไม่เก่งจริงหรอถ้าเก่งจริงก็ไม่ต้อง งั้นก็ห่างๆก่อนนะคะห่างๆกันสังคมก่อนนะพจริงๆแล้วแต่ไปอยู่กับใครก็อยู่ได้แต่ก็ไม่อยากจะอยู่แบบลำคาญอยู่ตอนนี้ยมรู้สึกลำคาญจริงค่อใช่แล้วมันจะเรื่องลำคาญเนี่ยั้นเรื่องลำคาญแล้วกลายเป็นว่ามันจะแบบจะอยู่กับคนเขาไม่ค่อยได้อย่างงี้ป่ะใช่ถูกต้องแล้งั้นถูกแล้วนะคะับคุณค่ะขอบคุ่ะบคุณค่ะขอุณ่ะขอบคุณ่ะคนมคนะขอบคุณค่ะาคาณค่ะคนณค่ะขอบคุณอบคุณค่ะขอุณค่ะขออ นมาส ก, การครับพระอาจวาุโสพอดีว่าผมจะสอบถามก็คือตอนเนี้ผมเป็นคนยึดติดกับอดีตนะครับจนทําให้ปัจจุบันมันเหมือนไม่มีไม่มองหาชีวิตในปัจจุบันวา่าเราจะเดินทางต่ อ, อยังไงแล้วก็คิดถึงอนาคตว่าเราจะไปยังไงอันนี้เราต้องใช้หลักธรรมอะไรในการแบบให้เร า, อ, าอยู่กับปัจจุบันให้ได้ใช่งไงมครับใช้สติงไงพุโทโธพุโทโธ พอคิดถึงอดีตก็พุทโธพุทโธไปอวามคิดในอดีตก็จะหายไปพอคิดถึงอนาคตก็ใช้พุทโธพุทโธไปมันก็จะกลับมาอยู่ในปัจจุบันพอไม่คิดแล้วก็อยู่พุทโธนะพอมันเริ่มคิดอีกก็หยุดมันไวให้มันอยู่ในปัจจุบันมาเรื่อยๆครับคือแรกๆก็อาจจะต้องฝึกยากใช่ไหมครับเราะตขยันพุทโธพุทโธพอรู้ว่ามันคิดถึงอดีตกับพุทโธพุทโธพุทโธไปบางบามันจะหยุด พอมันหยุดเราก็หยุดได้แล้วเดี๋ยวไปคิดถึงอนาคตใหม่ก็พุโทโธพุโทโธใหม่ให้มันกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันคำถามจากคุณรัฐวันค่ะการถือศีลห้าต้องอาราธนาศีลก่อนทุกครั้งหรือตั้งใจสวดมนต์และนั่งสมาธิคะการถือศีลนี่มันอยู่ที่เราถ้าเรามีความตั้งใจมันก็ถือว่าเราได้อาราธนานะ เช่นวันนี้บอกวันนี้วันพระวันนี้จะรักษาศีลห้าข้อนี้ให้ได้อันนี้ก็ถือว่าอาาธนาแนละ้วคำถามจากคุณอลิสาค่ะคุณพ่ออายุ80มีตามองเห็นแค่ข้างเดียวเนื่องจากจอตาเสื่อมบอดไปท่านชอบขี่จั ก, กรยานออกไปตลาด เข้าห้าห่างจากบ้านไปสองกิโลในกรุงเทพรู้สึกเป็นกังวลกลัวท่านจะล้มและเป็นอันตรายและมีปัญหาตามมาบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่ฟังควรทำอย่างไรดีคะที่ท<ำ>จะเหมาะสมทำใจคำถามจากคุณคณิ t ฐาค่ะ หากเรานำสังฆทานไปถวายพระและมาบอกผู้ป่วยติดเตียงให้อนุโมทานาบุญโดยผู้ป่วยมีสติรับรู้และขอร่รวมทำบุญโดยใช้เงินของเขาเองบ้าง <c oughs> เขาจะได้รับบุญ น, นั้นเท่ากับผู้นาถวายหรือไม่เจ้าคะได้ได้ตามจำนวนเงินที่เขาเบริจาคไปถ้าบริจาคมากก็ได้มากถ้าบริจาคน้อยก็ได้น้อยคำถามจากคุณโอ ควรกำหนดเวลาในการนั่งสมาธิหรือควรนั่งสบายๆไปเรื่อยๆเจ้าคะเคยกาหนดเวลาตั้งนาฬิกาแล้วเหมือนมีสิ่งรบกวนเข้ามาตลอดไม่ค่อยครบเวลาและถ้าไม่กาหนดเวลารู้สึกจะนั่งได้นานไปเรื่อยๆวิธีไหนดีคะวิธีที่ดีก็คือกาหนดสติให้มีสติอยู่กับการภาวนาพอจิตสงบแล้วจิตก็จะสบา ย, ยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา ให้มีสติไว้เป็นสําคัญเพราะคุณภาพของการภาวนาอยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติต่อให้นั่งได้เป็นชั่วโมงก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าจิตไม่สงบแต่ถ้ามีสตินั่งเพียงสิบห้านาทีจิตสงบสิบห้านาทีนี้ก็มีประโยชน์กว่าเน้นสําคัญสาระสําคัญคือสติให้จิตมีความสงบคําถามจากคุณคณิฐาค่ะ การถือศีลแปดที่บ้านต้องแต่งกายด้วยชุดสีขาวด้วยไ้ยเจ้าคะคือการใส่ชุดนี้มันไม่เกี่ยวกับการรักษาศีลหรอกเป็นธรรมเนียมประเพณีอ่าถ้ารักษาศีลก็ใส่ชุดขาวเท่าน่อยแต่ความจริงการใส่ชุดขาวไม่ได้หมายความว่าเราจะมีศีลสีลอยู่ที่การรักษาของเรารักษาศีลทอต่างๆไม่ละเมิดแล้วก็มีศีล น, นี่เราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราอยู่ที่ไหน ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราจะใส่ชุดไหนก็ได้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่เขาใส่ชุดขาวเราก็ต้องใส่ชุดขาวไปกับเขาคำถามจากคุณเอ่งค่ะเรา ป, ปฏิบัติธรรมอย่างไรเพื่อลดวิบากกรรมที่เราเคยทำในอดีตคะก็นั่งสมาธิไงอเดวิบากกรรมในอดีตเราลดไม่ได้แต่เราลดวิบากกรรมในอนาคตได้ด้วยการไม่ทำกรรมเพิ่มนั่งสมาธิเราก็จะไม่ได้ไปทาบาป เราก็ยังไม่ได้ทํากรรมแต่กรรมที่เราทํามาแล้วในอดีตนี้เราไปลบไม่ได้มันต้องส่งผลวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วคําถามจากคุณธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์การปฏิบัติที่บ้านกับที่วัดต่างกันอย่างไรครับปฏิบัติที่ไหนจะเกิดผลมากกว่าครับก็เหมือนกับการรักษาตัวรักษาที่บ้านกับรักษาที่โรงพยาบาลนไหนจะดีกว่ากัน โรงพยาบาลเขามีเครื่องมา้าเครื่องมือพร้อมมากกว่าที่บ้านทันในที่วัดก็มีสถานที่ที่เหมาะสมกว่าที่บ้านสงบกว่าที่บ้านเั็นถ้าเลือกที่ได้ก็ไปปฏิบัติที่ที่วัดจะดีกว่าแต่ต้องเป็นวัดปฏิบัตินะไม่ใช่วัดจัดงานนะถ้ามีงานลำวงมีงานลิเกวัดอย่างงั้นอย่าไปไปแล้วไม่สงบต้องไปวัดแบบที่สงบเว้มีการภาวนา มีการรักษาศีลแปดอย่างนี้หมดแั้เลยมีอะไรอยากจะถา ม, มยังไหมอยากจะถามอะไร mm hmm. เชิญถามได้นะแต่เรดดีฟอรนเดียดีครับมันคำถาม n y อคุณอย่งอีกรอบอนึ่งนะ รามนมัสการค่ะข อ, อกราดค่ะพระอาจารย์พอดีจะเข้าพรรษาแล้วค่ะตั้งใจก็อยากจะปฏิบัติอะคะ่ะทีนี้ว่าในชีวิตประจําวันของเราอะถ้าอยากจะปฏิบัติให้ได้มีความสงบลึกถึงฌานสี่อะค่ะพระอาจารย์ช่วยแนะนํำหน่อยค่ะว่าต้องทํำยังไงบ้างคะเบื้องต้นก็ต้องไปบวชก่อนเพื <c oughs> ่ได้มีเวลาเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไปอยู่วัดที่มีการปฏิบัติเข้มข้น ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติตอนนี้ไม่ได้ทํางานนะคะอยู่บ้านความจริงก็ตลอดพรรษาก็จะมีเวลาระหว่างวันที่ลูกไปโรงเรียนนะคะก็เลยว่าจะวางแผนปฏิบัติยังไงว่าสมมติว่าระหว่างวันที่พระอาจารย์บอกว่าเอ่อให้ได้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงให้มันติดต่อกันอย่างเงี้ยค่ะทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าต้องยาวทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันเนี่ยมันถึงจะมีโอกาส ที่จะเข้าสู่ความสงบระดับอัปปนาสมาธิอะค่ะแต่ละคนมันก็ไม่แน่นอนอยู่ที่กําลังสติของแต่ละคนคถ้าเรามีสติสะสมมามากแล้วเรามาเพิ่มอีกหน่อยมันก็อาจจะได้ผลเลยก็ได้<อ>ถ้ามีน้อยก็าจะต้องใช้เวลาสะ ส, สมสติให้มีมากขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ไม่ไม่ไมีไม่มีข้อกาหนดตายตัวเรื่องเวลาอยู่ที่กําลังของคนปฏิบัติด้วยว่า เ, เวลาปฏิบัตินี้กี่นาทีให้กับการเจริญสติ กี่นาทีให้กับความฟุ้งซ่านมันก็มีส่วนด้วยค่ะดังนั้นอย่าไปกังวลเรื่องเวลาเลยมีเวลาเท่าไหร่ทุ่มเข้าไปก็แล้วกันทาให้มันทำให้เต็มที่เท่าเท่าที่เวลาที่เรามีส่วนผลจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่การเจริญสติของเราคือสร้างความเพียรให้มากเดี๋ยวผลก็จะเกิดเองสักวันหนึงใช่ถ้ามีสติมากผลมันก็จะเกิดมีสติน้อยผลก็จะเกิดยาก กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามจากคุณอากนิ์ค่ะเราสามารถทําบุญแทนพ่อแม่ให้ท่านได้รับบุญที่ลูกทําได้ไหมครับคือเหมืนกินข้าวอะ่ะเรากินแทนคนอื่นได้ไหมไม่ได้ทาบุญใครอยาจะได้บุญก็ต้องทำเองต้องเป็นของของตนเองเล่นเป็นเงินของตนเองแล้วบริจาคไปอัแต่จะฝากคนอื่นไปทําให้นี่ได้อยู่ แต่ต้องเป็นเงินของตัวเองต้องเป็นการเสียสละของตัวเองแต่ถ้าเป็นเงินของลูกแล้วลูกเอาไปทำให้พ่ อ, อพ่อไม่ได้บุญลูกได้บุญคำถามจากคุณปิ่นค่ะมีสามข้อข้อแรกเวลานั่งสมาธิจิตไม่นิ่งทำอย่างไรให้จิตสงบได้เจ้าคะ่ะเพราะไม่อยู่กับกรรมฐานเนี่ยต้องควบคุมใจให้อยู่กับกรรมฐานอาใช้พุโทโธก็ต้องอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำถามข้อที่สองการนั่งสมาธินั่งขัดสมาดได้ไหมเจ้าคะเพราะนั่งแบบพระนั่งนานๆานจะปวดหัวเข่าข้างขวามากๆได้นั่งแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดคำถามข้อสุดท้ายนั่งกับยืนทําสมาธิเราทําตามวิธีง่ายๆไม่ต้องทําตามขั้นตอนได้ไหมเจ้าคะแค่พูดโทในใจตามลมกายใจก็ต้องทำด้วยด้วยสตินะั่นนะ ต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับลมนู่ออยู่กับพุทธโธไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามจากคุณบันทึกบุญเราทำบุญเจริญสมาธิภาวนาพ่อแม่เราจะได้บุญด้วยไหมครับไม่ได้หรอกบุญใครบุญมันคำถามจากคุณนาวินทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเป็นเช่นไรครับก็ไม่มีความโลภโกรธหลงเวลาทำทำไปตามเหตุตามผล คำถามจากคุณเน่งค่ะการเจริญสติในชีวิตประจําวันคือต้องพยายามหยุดคิดให้ได้ถูกต้องไหมคะต้องหมั่นภาวนาพุโทโธใช่ไหมคะถูกต้องคำถามจากคุณเอิงจากที่พระอาจารย์สุชาติเทศว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่ในโลกทิพย์ที่ไม่มีการเกิดแล้วใช่ไหมคะเท่ากับ ประโยคที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกผู้ใดเห็นธรรมก็คือเห็นอริยสัจสี่เห็นตใจรักก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็เห็นอริยสัจสีเห็นตใจรักท่านสามารถใช้อะไรอริยสัจสี่กับใจรักนี้ชักเฝ้าจิตใจให้สะอาดบริสุดได้ก็เห็นใจของพระพุทธเจ้าว่าเป็นใจที่สะอาดบริสุดธเหมือนกับใจของเราที่เราได้สักพ่องมันจนสะอาดบริสุดขึ้นมา ก็เหมือนกันใจของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือคนธรรมดาหลังจากที่ได้รับการซักฟอกแล้วมันก็จะสะอาดเหมือนกันหมดเนถ้าใครได้ซักฟอกใจจนสะอาดก็จะเห็นพระพุทธเจ้าว่าเหมือนกันใจของท่านกับใจของเรานี่ก็เหมือนกันคำถามจากคุณธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อวันไหนนั่งสมาธิแล้วเวลานอนรู้สึกเหมือนนอนไม่หลับ ระปรับตื่นตื่นครับจะเป็นการดีหรือไม่ดีครับที่รลปรับตื่นตื่นก็เพราะคิดมาก่เวลานอนไม่หลับก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปดูลมไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าคิดเดี๋ยวมันคิดได้ทั้งคืนนะห ม, หมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมอันนี้รอบสุดท้ายแล้วน ะ, <c oughs> ะถ้าไม่มีเราท่านนี้ก่อนสาหรับวันนี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจิตพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ